แค่ที่เธอก็รู้ในใจเทอวันในใจเธอมีเลือกภาพดำๆในวันนั้นเราฝันหาถึ้งงานวิวาในวันนี้ไหนเปล่าตาเธอเพียงแค่ต้องกาลละไม่เป็นไรก็รู้และเข้าใจเธอเก็บออกไป h ่าวของฉันในใจทุกความรู้สึ o ทุกคำทุกความทรง e ำทุกสิ่งที่เธอเคยทำเธอคงไม่ต้องการมันเไม่ต้งบอกรอกว่าเธอจะละไม่ต้งมาบอกรอกว่ามีน้ำตาฉันจะนบในใจไปซ เท่าไรที่วิ่งตามเธอไปจะจบเมื่อไรใครถามข้างในใจเธอซ้อแล้วให้ฉันหาเธอกลับเข้ามามันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ติดในวงเวลาราจะไปตัวฉันก็เข้าใจจะอยู่ให้ไหวจะไม่ต้องสนใจไม่ว่าได้ยินอะไรให้เธอเดินไปไม่ว่าจะด